พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่กกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลย สักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีกใครจะรู้แต่เธอเธอไปได้วยกันอยู่ก็ไม่หวั่นกลัวเท่าไรเรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไป ไม่เคยพูดเลย s o you. ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอเฉัน